ดูดีๆนาพระเราเชี่ยวเรากายอยากกายหิวหรือจิตเกิดความอยากความอยากความหิวต้องดูรู้ให้ชัดเจนอืถ้าจิตเกิดความอยากก็รู้จักหยุดรู้จักควบคุมรู้จักพิจารณาปฏิสังขาอยู่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ปล่อยโอกาสทิ้งปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลาทุกเรื่องเรื่องจะตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจ รู้ความปกติรู้การกระทำสติปัญญาเป็นตัวบริหารใจรับรู้สติความรู้ตัวก็ต้องสร้างขึ้นมามีโอกาสมาสร้างบุญสร้างบารมีกันมาช่วยซื้อบ้านน้อยหนึ่งหลังวันนี้เห็นว่าจะมาส่งอีกหหลังรวมทั้งหมดก็คงจะเป็น สิบหาสิบหกหลังกว่าจะครบกบมาเรื่อยๆอยากยมผู้ใจบุญก็มาช่วยกันคนละหลังสองหลังไม่นานเดียวก็เต็มสวนมรีวันมีที่นั่งพักอาศัยกันนันนี้ได้ยินข่าวทราบข่าวก็จองเอาไว้ตั้งนานนันแหละเอา ว, ว่าขอบ้านหนึ่งหลังนะบอกเออก็เพิ่งจะเอามา พาลูกมาทำบุญให้ฐานแรงกรตัวเล็กๆโตขึ้นต่ก็จะได้สบายขอบใจมากๆนะอยากโยมท่านใดอยากจะมาช่วยมาจองเอาไวา้คนละหลังสองหลังเลยลคนละเล็กละน้อยมาเสริมเติมกันก็ได้อันนีส้สงญ่ญ่ได้อาศัยร่มเงา ส่วนญาติโยมท่านใดที่จะเอาธงทิวมาร่วมก็เอามาได้ตลอดเวลาเพราะว่าปีหน้าหลวงพ่อก็จะได้ปักธงทิวให้เต็มวัดไปหมดจะได้ฉลองสมโภชกันคงจะเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ปีหน้ายัางไงก็เสร็จก็เหลืออีกไม่ยืะอการบุรณะการสมเสร็จา บุญฝักซับเอาไว้กับแผ่นดินเอาไว้ในใจเราให้มาทันก็ทันไม่ทันก็เสร็จก่อนแล้วก็อนุมโมทนาสาธุจะได้มีอา น, นิสงส์แห่งบุญด้ดยกันวันพุ่งนี้วันอาทิตย์มีญาติโยมผู้ใจบุญจะได้ไถ่ายชีวิตโคแม่ลูกอีกหนึ่งโคมีโอกาสก็มาร่วมกันถ่ายชีวิตโคตอนเชา้า นี่ท่านผู้ใจบุญจะได้ถ่ายชีวิตโคโค <c oughs> โแม่ลูกตอนเช้าก่อนที่จะชันข้าวนี่แหละ <c oughs> พรุ่งนี้เช้า ว, วันอาทิตย์พวกเราก็จะได้มาร่วมมนุโมทนาสาธุร่วมกันสนุกทำบุญสร้างบุญสร้างอานิสงส์สร้างกุศลปีนี้ก็ได้ถ่ายชีวิตไปเยอะ สอามวันทิตก่อนนั้นก็ได้ถ่ายชีวิตไปส9เก้าคู่นำมานี <c oughs> ่แหละนี่ทงทียวเรียกธงเทียวธงมีสายนี่จะเป็นธงชาติก็ได้นะธงชาติธงธรรมจักรพื้นสี่เหลี่ยมก็ได้ที่มีสายอย่างนี้แหละจะได้มาผูกโยงตั้งแต่ปางประสุตธเข้ามาตามถนนหนทางทุกจุด จนกระทั่งถึงล้านองค์ปูใหญ่ปังลีลาให้เต็มลานตั้งทงใหญ่ทงเล็กจะได้ฉลองสมโพธิกันตั้งโรงทานอย่างเดียวใครใครทานมาตั้งโรงทานก็มาจะได้มีความสุขมาช่วยกันมาช่วยกันแจกทานแต่กิเลสภายในต้องทานหนอนะละกิเลสเอา กิเลสความโลภความเกิดความอยากก็เจเริญสติเขาไปดับเข้าไปละเข้าไปพิจรารณาขัดเกล้าแก้ไ ข, ขออกจากกิจใจของเราให้ถึงจุดหมายปลายทางกัน <c oughs> ถึงยุคนี้ก็เป็นยุคบริจาคทานยุคให้ทานฉลองสมพศหนักเบาเอาสู้ช่วยกันทำมาถึงจุดหมายแล้วก็ได้ฉลองจะได้มีความสุข พระเราชีเราก็ช่วยกันช่วยกันทำต้นไม้แต่งต้นไม้สวยๆงามๆทำเสาไปให้เป็นต้นไม้ <c oughs> อย่าได้หลงรับรอรับไอ้ธงทิวเดี๋ยวนี้ยายมาทำฝั่งตะวันออกช่วยกันคนละไม้ละมือใช้ผีมือตกแตก่ม ถ้าเสร็จหมดก็คงจะเหลือที่ต้นไม้ที่สวนมะลีวันแต่งให้หมดทุกต้นให้สวยๆงามๆไกลไปใครมาก็มีความสุกตกกลางคืนเนื้อเดินเข้าไปนีนหอมหอมต้นชมนาทดออกดอกเต็มต้นไปหมดอีกไม่นานเดียวก็ขึ้นรังร้านเต็มไปหมดปีหน้าก็ต้นกระละประพึกออกดอกเต็มสวนชมนาทดออกดอกหอมแล้วก็จะได้ฉลองสมโพธกัน ปิดทององค์พระประรมสาริกธาตุสงนามพระประรมสาริกธาตุสงนามท่านเจ้าคุณหลองจเจ้าอาวาสกับหลวงตาจเจ้าอาวาสผัดเปลี่ยนผ้าเจ็ดวันเจ็ดคืนนะหลองเจ้าคุณแต่เรื่องการตั้งลงฐานให้ทั้งปีไข่ไขทานมาทานใครไขมาตั้งลงฐานมาแต่ระวังหน่อยนะ ถ้าคนเยอะ ข, มขโมยขจรก็ตามมาเยอะเหมือนกันมางัดมาแงสารพัดอย่างต้องระวังไปไหนมาไหนเอาของสำคัญติดตัวไอ้คนขโมยมันก็คอยขโมยเราเพิอเมื่อไหร่มันก็ขโมยเพราะว่ามีเจตนาที่จะขโมยก็ยกให้เป็นกรรมกรรมของเขาสร้างมาอย่างนั้นมีบาปกกรรมของเขา บางทีก็ความอดความอยากความหิวความหอยก็บังคับให้ขโมยแทนที่จะไปหาด้วยสัมมาทิฏฐิความผูกต้องขโมยขจุนก็มีกันทัวบ้านทั่วเมืองความเจริญนุ่งเรื่องเข้ามาคนเยอะเข้ามาแล้วก็ขโมยก็แอบแฝงบางทีก็มาอยู่กับเรามากินมานอนอยู่กับเรามาลักของเราไปจับได้อยว่ปปีกายหรือปีก่อนมากินมานอนนี่แหละ กินที่โรงครัวก็มานอนมากันหลายคนมันก็มา ด, ดูต้นทางมันว่างมาไห่มันก็โทรบอกเพื่อนมันพอจับได้พอไล่ทันมันรีบหนีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ห้องน้ำโรงเรียนไปจับํารวจก็เลยไปจับบาทีไปหล่อขึ้นรถ ด, ดักขึ้นรถให้เขาลอมเอาไว้หลายคนบางทีก็มาขโมยเอาตอนที่ออกไปชันข้า น่แต่เครื่องขย า, ายเสียงเอามาไว้นี่สามเครื่องก็มาขโมยเอาทุกเครื่องเลย <g ül> นนก็ดีเหมือนกันแล้วก็ได้ดูใจของเราโกรธให้มันหรือเปล่านะ <g ül> จนได้ซื้อตู้มาล้อมโซ่เอาไว้แล้วก็มาติด อ, อ, อ, อกล้องวงจรปิดนมาขโมยทีไรเจ้าคุณนอนไม่หลับทักทีนะนี่ <g ül> จำเป็นต้องได้หาตู้มาใส่เอาไว้ป้องกันเอาไว้ ขนาดตู้ใส่ป้องกันเอาไว้มันก็เอากันไกมาตัดอีกนะมาตัดอีกก็เลยได้ติดกล่องอีกติดกุญแจทั้งสองดอกสามดอกมันอยากได้เขาเมาเถอะทีแสดงว่ามันก็มีความเพี้ยนที่จะลักที่จะขโมยใอ้มันมาก็ยกให้เป็นกรรมไม่ได้ไปถือโทษโกรธให้เขาหลอกถ้าโกดให้เขาเรานี่ก็ไม่ดี ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองมีแต่ให้อภัยอโหสิกรรมยกให้เป็นกรรมยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นการเกิดคงใจเยอะการเกิดคงขันหายเยอะยิ่งตามทำความเข้าใจการเจริญสติไม่ใช่ว่าจะฝึกสติเฉยๆเราก็ต้องรู้จักเอาไปใช้กายหิวใจของเราเกิดความอยากหรือไม่ ตาเห็นรูปตาเห็นอาหารกายก็หิวอันนนก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอานน้อยก็กลัวไม่อิ่มระวังนะสามเณรเต็มบาทแล้วก็ฉันไม่หมดนนเจ้าคุณลงโทษให้ไปล้างห้องน้ำนะ <c oughs> กายก็ต้องการอาหารเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่เจริญเติบโต ช่วงที่มีกำลังนีจะละความอยากได้ได้ลำบากมันจะฝืนต่อต้านกันถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็เอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาอะไรคือความรู้ตัวสติที่เราจะเริญขึ้นอะไรคือตัวใจความคิดปัญญาของเก่านั่นมีกันทุกคนเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่า ปล่อยปะละเลยอะไรก็ทําไม่เป็นอะไรก็ไม่ทําสติก็ไม่เจริญใอ้ความคิดก็ไม่รู้จกักผลใจไม่รู้จกักทำความเข้าใจรู้จักละจักดับละความคิดแต่คิดให้เป็นไอ้ตัวหลังคือตัวสติตัวปัญญานี่แหละตัวส่วนสมองนี่แหละไปคิดแทนไปทําหน้าที่แทนบุนอันนี้สสมมุติเราก็ทํา การละกิเลสเราก็ละส่วนมากก็มีตั้งแต่พอพูนคนที่จะเอาทรรมคนที่จะรู้ธท ร, รนี่ไม่จำเป็นต้องไปพูดกันมากหมายลอกรู้จักแนวทางก็จะหาวิธีหาอุบายคัดเก่ากิเลสออกจากใจของตัวเรากายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดบางคนมันอดพูดอดคิดไม่ได้คันปากยิกย ต้องวิ่งไปหาที่ระบายพอระบายเสร็จมารู้สึกว่มันโล่งมันปลงมันเป็นใจอย่างนั้นถ้าไม่ได้พูดเรื่องของคนโน้นคนนี้แล้วมันอึดอัดถ้าพูดคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างงี้เจ้าคุณเป็นอย่างนั้นเจ้าคุณเป็นอย่างงี้พอพูดเสร็จแล้วรู้สึก่มันโล่งมันโปลงอย่างั้นถ้าไม่ได้พูดแล้วมันอึดอัดใจมันจะแตกอกมันจะแตกขอให้คลายออกให้มันหมด มองเห็นโลกในทางที่ดีคิดดีดูเรื่องของเราให้จบละกินเลตของเราให้จบเนะ้แต่ความอยากไม่แต่นิดเดียวก็อยากให้เกิดขึ้นที่ใจอความอยากกับความหิวมันอยู่ด้วยกันอนะกายของเรามันหิวตลอดเดี๋ยวก็กินเล้วก็ขับถ่ายอยู่งั้นนะเอาเข้าเท่าไหร่ทมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม เขาถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงแต่ใจมันมาสร้างกายมาปิดบังอําพังตัวเองเอาไว้หมดแต่แค่รูปกายก็ปิดบังตัวใจเอาไว้ความคิดอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างก็มาสร้างหอ่อหุ้มใจตัวเองเอาไว้จนกว่าจะเจริญสติเข้าไปขัดเกลอออกให้มันเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์นั่นเลยเห็นจุดเกิดจุดดับของเขานั่นแหละถึงจะมองเห็นความเป็นจริง สนมากก็มีตั้งแต่หาสิ่งต่างๆไปปกปิดเอาไว้แม้แต่ตัวใจเองก็หลอกตัวเอง mm hmm. เพราะามันเกิดอยู่ตลอดความเกิดเนี่ยมันหลอกหลอกอยู่ต่้นให้เจริญสติไปขัดเกลา mm hmm. ไปแกงไปแยกแยะออกให้รู้ความเป็นจริงก็ mm hmm. สติปัญญานะั้นแหะไปเกิดแทนอีกรับรู้อีกผุดอยัก mm hmm. ถ้าไม่ทาให้มีให้เกิดจริงๆให้รู้ให้เห็นจริงๆรงจรึงจะเป็นของจริงหมดความสงสัยเทวที่ยวสงสัยคนโ น, โน้นสงสัยคนนี้ไปลังเลไปกังวลมันก็เลยยากที่จะถึงจุดหมายตราบใดที่ใจยังไม่หลุดพ้นก็พยายามสร้างธรรม ะ, ะสร้างบรารมีสร้างอานิสงส์กันให้เต็มเปี่ยมถึงใจของเรามันไม่หลงไม่ ย, ยึดก็ยังสร้างประโยชน์ให้เต็มเปี่ยม ไม่ปล่อยเวลาทิ้งไม่ปล่อยเสียเวลาความอยากแม้แต่นิดเดียวเราก็จัดการนะให้เกิดความเคยชินให้เหยื่อแหงไปพระเราก็เหมือนกันที่เราก็เหมือนกันยิ่งบวชมาเป็นพระละอัตราของความเป็นพระก็เพิ่มขึ้นมาก็หนักอีกอัตราของฆราวาสก็หขันของพระก็หขันเป็นสิบขันแล้วหนักอึ้งเลย ยิ่งมาปฏิบัติขัดเก่าเราเป็นนักปฏิบัติที่เก่งที่เข่งกี่ข้าขันเป็นส5บขขันพอดีแปกอยู่ทั้งวันทั้งคืนห น, นักก้นนักช่วยเหลือไม่ได้นะไม่ยอมปล่อยยอมวางวางแล้วก็ขอลบสมมติไม่ยึดติดสมมติอยู่ด้วยกันเยอะๆก็ต้องขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบช่วยกันไม่ใช่มีแต่ความเห็นแก่ตัว ใ่เห็นแกตตัวเราไปอยู่คนเดียวก็ไม่เจริญอยู่หลายคนก็ไม่เจริญอ่าตั้งใจลับผอนกันอขอให้หยัดยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบหลา ย, ยาหมกของเราชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องบนนุ่อฟังไปด้วยน้มสำเนียกหลองสูดลมหายใจเข้าไปยา ว, ยาวลึกๆ อย่าไปบังคับลมหายใจเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันมากเลยทีเดียวเราต้องพยายามดูรู้ให้ทันว่าลมหายใจเข้าอย่าเป็นอย่างไรหายใจออกอยาเป็นอย่างไรหายใจละเอียดเป็นอย่างไรหายใจธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างไรถึงเราไม่ดูไม่รู้เขาก็หายใจอยู่ของเขาตั้งแต่เกิดแต่ก็ เพื่อที่จะรู้ความเป็นจริงท่านถึงให้เจริญสติลงอยู่ที่กายของเราแล้วก็ให้ต่อเนื่องสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องรู้กายลึกลงไปแล้วก็จะรู้ใจรู้การเกิดของใจรู้การเกิดของขันห้ารอบรู้ในกองสังขารรู้จักชําระสัตสังกิเลตออกจากใจของตัวเราเองแต่ส่วนมากก็มีตั้งแต่ตัวใจวิง ดูตลอดเวลาบางทีก็เป็นบุญบ้างเป็นกุศลอกุศลบ้างบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบ้างสติกับใจในี่ต้องคนละส่วนกับชัดเจนความรู้ตัวลักษณะของสติรู้ตัวคําว่าปัจจุบันทุกขณะลมหายใจเข้าออกพยายามทําให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้รู้เท่าทันใจรู้ไม่เท่าทันใจตั้งแต่เกิดเราก็พยายามก็ตุ้นความรู้สึกการหายใจเข้าออกใหม่ใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เอาใจไปกําหนดเลย ฝึกฝนบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆจนกว่ากำลังสติของเราจะเห็นเห็นลักษณะอาการห้องใจกับอาการของขันห้าของความคิดซึ่งเป็นหนาเขเข้าไปรวมกันขณะเห็นตั้งแต่ต้นเหตุเขาจะแยกออกจากกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมองกระจกใจก็จะว่า ง, งางขึ้นมาเขาเรียกว่า ง, ง่ายของที่ควม่มแต่ก่อนสมมติเขาครอบงำอยู่เขาเรียกว่าคว่ำอยู่ พอคลายออกจากความคิดก็ เ, เรียกว่าง่ายก็ เ, เรียกว่าแยกรูปแยกนามอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเพียงแค่เริ่มต้นรู้แจ้งเห็นจริงเพียงแค่เริ่มต้นถ้าขาดการตามทําความเข้าใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหะอีกเขาก็จะกลับเขินสู่สภาพบดึงเราต้องพยายามหมัน่นทำความเข้าใจหมั่นตามดูตามรู้ตามค้นควา้าให้ตลอดทุกเรื่อง อันนี้ลักษณะของสติที่เราสร้างขึ้นมาลักษณะของใจที่แยกที่คลายลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสลักษณะของความคิดที่เกิดเกิดดับๆับใจของเราเข้าไปรวมได้อย่างไรใจของเราเข้าไปเสวยได้อย่างไรนั่นคือเข้าไปรวมเขาเรียกว่าเข้าไปเสวยบางทีก็เป็นยินดีบางทีก็ยินร้ายบางทีก็เป็นกลางๆท่านให้แจ่งออกให้แยกออก สติปัญญาตามทำความเข้าใจจนใจมองเห็นความเป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหาของตัวเองได้ชัดเจนทุกเรื่องจนใจเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มาละความเกิดละกิเลสที่ใจทีนั้นทีนี้เขาก็เหือดแห่งเหือดแห่งไปจนกว่าเขาไม่เกิดสติปัญญาของเราก็ไปเกิดแทนทุกเรื่องทาหน้าที่แทนทุกเรื่องผูดง่ายนะ แต่การกระทําต้องมีความเพียนสร้างตระบะอย่างแรงกล้ามีความขายันมันเพียนมีความอดทนมีความจริงใจมีสัจจะจิตใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนผักใยสนใจอยู่ตลอดเวลาสติมันพร่ำชอนใจของตัวเองตลอดเวลาสักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันจะไปบังคับกันไม่ได้เลยสิ่งพวกนี้มีตั้งแต่ชี้แนะแนวทางให้ แล้วก็ดำเนินให้มีให้เกิดขึ้นจะไปกระโดดข้ามก็ไม่ได้เลยการจะขึ้นบนตัวเรือนเราก็ต้องอาศัยบันไดบันไดกี่ขั้น8ขั้น9้าขั้นกว่าจะถึงตัวเรือนบันไดของการดำเนินชีวิตก็ตั้งแต่ศรัทธา น, นั่นแหละมีศรัทธาเชื่อมัน่นในพระรัตนตรูด้วยจากการทำบุญให้ทานด้วยจากคลายจเจริญพรมบีหานต่างๆเขาเรียก ว, ว่าวัลรรมีของตัวเรา แล้วก็ตัวแยกรูปแยกนามนเพียงจะขึ้นตัเรือนคือเข้าถึงตัวใจการปัดกวดทำละกิเลสอยากกิเลสละเอียดอีกก็ต้องตามมาอีกมาดับความเกิดจนหมดจดอีกนั่นเลยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายจะง่ายสําหรับบุคคลที่มีความเพียรจะยากสําหรับบุคคลที่ไม่มีความเพียรยากตั้งแต่ช่วงใหม่ๆที่ยังใจยังไม่คลายออกจากขันห้า ถ้าใจคลายแล้วอะไรก็จะมองเห็นทางทะลุป โ, ปโปรง่งการชำระสะสารกิเลสก็จะตามมาด้วยสติด้วยปัญญาอย่างเข้มข้นอีกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจนหมดสิ่งที่จะละสิ่งที่จะดับได้นั่นแหละเขาจึงจะอยู่อุเบกขาอย่างมีความสงบความสุขอยู่กับสมมุติทําความเข้าใจกับสมมุติเคารพสมมุติกายของเราเป็นก้อนสมมุติจะทิ้งสมมุติไม่ได้นอกจากหมดลมหายใจทําความเข้าใจกับสมมุติแต่ไม่ยึดติดในสมมตินั้น ลองทําเธอะไม่ไม่ลองนะทำจริงๆให้รู้ให้เห็นจริงๆจากแนน้อยไปหามากๆด้ยจักแนวทางแล้วก็เร่งทําความเพียรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้จการจเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ถวานทั้งหกของเราทําหน้าที่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศล น, นอกนั้นก็มีตั้งแต่ประโยชน์ ในทางสมมุติประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์ในโลกนี้ทําประโยชน์อยู่ปัจจุบันให้ดีทําใจให้สะอาดอยู่ปัจจุบันก็จะส่งผลถึงอนาคตก็ต้องพยายามกันเอาสร้างความรู้สึกรับรู้การให้ใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะอ่ะพากันไว้พระพร้อมๆกันค่อยไปทําต่อนะอันนี้เพียงแค่ยำเคตเตือนเคานั้นเองอ่ะวันนี้มีท่านผู้ใจปุ่นมาตั้งโรงทาน มีโอกาสก็ไปอย่าไปปล่อยให้หิวนะไปทานข้าวทานป่ากันเช็กกฎนั่นพุ่งนี่ก็จะได้มีการถ่ายชีวิตโคแม่ลูกตอนเช้าก็ขอเชิญทุกคน